ปิฆาบทวิพัง922คําว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคําว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีก็เป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ว่าภิกษุณีในความหมายนี้ที่ชื่อว่าความหมังในจีวรที่เลื่อนลอยได้แก่ที่ทายกเปล่งวาจาประวรณาว่า ถ้าพวกเราสามารถก็จะถวายที่ชื่อว่าสมัยแห่งจีวละกาลคือเมื่อยังไม่ได้ครานกะทินมีกําหนดหนึ่งเดือนท้ายฤดูฝนเมื่อได้ครานกะินแล้วมีกําหนดหเดือนคําว่าให้ร่วมเลยสมัยแห่งจีวละกาลความว่าเมื่อยังไม่ได้กรานกะทินให้ร่วมเลยวันสุดท้ายแห่งฤดูฝนต้องอบัติปา จ, จิตีเมื่อได้กรานกะินแล้วให้ร่วมเลย วันที่กระถินดอกต้องอาบัดปาปจิตตี